จเจริญกรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ขกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่11มิถุนายนพุทธศักราช2548เป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างเว้นจากภารกิจการงาน จึงได้มาที่วัดเพื่อใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาหรือสมถะภาวนาและวิปัสสนาส่วนวันธรรมดาวันปกติคือวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ท่านก็ต้องไปทำงานกันก็ไปตามสถานที่ต่างๆถ้าเป็นครูก็ไปโรงเรียนไปมหาวิทยาลัยถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลก็ไปโรงพยาบาลถ้าไปถ้าเป็นข้าราชการก็ไปตามกระทรวงทะวงกรมต่างๆถ้าเป็นเอกชนก็ไปทำงานตามสํนานักงานตามโรงงานต่างๆ เพราะที่นั้นเป็นที่ตั้งของงานนั่นเองเป็นที่ทำงานการปฏิบัติธรรมคือการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาก็เป็นการทำงานอย่างหนึ่งเหมือนกันเพียงแต่ว่านี่เป็นการทำงานทางจิตใจไม่เหมือนกับทางทางโลกคืองานภาวนานี้เป็นการชำระจิตใจ ชำระความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นต้นเหตุที่สร้างความวุ่นวายใจสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้กับเราพวกเราทุกคนจึงต้องใช้เวลาในการชำระจิตใจด้วยการ <c oughs> บําเพ็ญจิตตภาวนาคือสมถะภาวนาและวิปัสสนา เพราะถ้าเราได้เจริญได้บำเพ็ญสมถะและวิปัสสนาภาวนาแล้วจิตใจของเราก็จะสะอาดขึ้นไปตามลำดับความสุขความสบายใจก็มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับความทุกข์ความกังวลใจต่างๆก็จะหมดไปตามลาดับการบำเพ็ญจิตตภาวนา ก็เป็นเหมือนกับงานทางโลกเหมือนกันต้องมีที่ตั้งของงานมีสานักงานมีที่ทำงานงานะที่ตั้งของงานจิตตภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาภาวนาก็คือกรรมฐานคาว่ากรรมฐานนี้แปลว่าที่ตั้งของงานกรรมะแปลว่าการกระทาหรือการงานฐานแปลว่าที่ตั้ง กรรมฐานจึงเป็นที่ตั้งเป็นที่ทํางานของการบําเพ็ญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีกรรมฐานก็ไม่สามารถที่จะบําเพ็ญภาวนาคือสมถะและวิปัสสนาได้กรรมฐานที่เรารู้จักกันดีก็คือ พุทธานุสติคือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธ น, นี่ก็คือสมรรถะกรรมฐานเราใช้พุทธโธนี่เป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจเป็นเครื่องกล่องจิตใจทําให้จิตใจของเราสงบทําให้จิตเย็นจิตสบายจิตมีความอิ่มเอิบใจได้หรือเราจะเจริญธรรมานุสติก็ได้ ด้วยการบริกรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธไปหรือเราจะสวดมนต์ไปในใจก็ได้เช่นสวดอรหังสัมมาอิติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนสวดไปเรื่อยๆโดยที่จิตใจของเราไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆมีสติรู้อยู่กับการสวดมนต์นี่ก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่า สมถะกรรมฐานเป็นเครื่องก่องเกาจิตใจเป็นงานที่จิตใจต้องทำเพราะจะเป็นเครื่องช่วยชำระจิตใจให้อยู่ได้ด้วยความร่มเงย็นเป็นสุดนั่นเองนี่คือกรรมฐานกรรมฐานก็มีอยู่หลายชนิดด้วยกันนอกจากพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติแล้ว ก็ยังมีมรณานุสติมรณานุสตินี้ก็เป็นการระลึกถึงความตายคือคนเราทุกคนนั้นก่อนมาแล้วต้องตายด้วยกันทุกคนแต่ถ้าเราไม่คิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆเราก็จะพังเลอเราก็จะลืมและเราก็จะคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําให้เกิดมีความอยากที่อยากจะอยู่ไปเรื่อยๆ ทั้งที่มันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงของพวกเราแล้วเมื่อเกิดมาทุกคนเขาต้องตายไปด้วยกันทุกคนไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐา น, ฐานคือมรณานุสติแล้วเราก็จะถูกความหลงคือความพลั้งเผลอครอบงาจิตใจทำให้เราไม่อยากตาย ทำให้เราอยากจะมีเราอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นสิ่งที่ฝืนความจริงแล้วเมื่อเรามีความอยากที่จะอยู่ไปเรื่อยๆมีความไม่อยากตายอยู่ในจิตใจของเรามากน้อยเพียงไรความทุกข์มันก็จะต้องปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นการฝืนความจริงนั่นเองความคิดของเราความอยากของเราถ้ามันฝืนความจริงแล้ว มันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราถ้ามันไม่ฝืนความจริงมันก็จะไม่สร้างความทุกข์ให้กับเราเช่น mm hmm. ถ้าเรารู้ว่าเราจะต้องตายแล้วเรายอมรับความจริงอั น, นี้ได้ว่าตายก็ตายเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายด้วยกันทุกคน mm hmm. เมื่อยอมรับความจริงนี้ได้แล้วเวลาตายก็ไม่เกิดความเดือดร้อนอะไรเวลาอยู่ก็ไม่กลัวความตายเพราะไม่ได้คิดว่าจะอยู่ไปตลอดนั่นเอง ร่างกายก็เป็นเหมือนกับสมบัติชิ้นหนึ่งเหมือนกับรถยนต์คันหนึ่งรถยนต์เราก็รู้ว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเก่าแล้วมันก็ต้องเสียแล้วเราก็ต้องทิ้งมันไปเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเวลารถมันเสียรถมันพังเพราะเรารู้ว่ามันจะต้องเสียมันจะต้องพังเราก็ยอมรับความจริงอันนี้แต่ถ้าคนที่ไม่ยอมรับความจริงอันนี้ถึงแม้จะเป็นสมบัตินอกกาย ก็ยังต้องทุกข์กับมันได้เช่นเวลาสูญเสียอะไรที่ตนเองรักที่ตนเองชอบไม่ว่าจะเป็นวัตถุเข้าของเงินทองต่างๆถ้าไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่จะต้องจากเราไปสักวันหนึ่งหรือเราอาจจะต้องจากมันไปสักวันหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งมันไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดอย่างแน่นอน ถ้าเรารู้อย่างนี้แล้ว เ, เรายอมรับความจริงได้เวลาสูญเสียมันไปเราก็ไม่เสีย อ, อกเสียใจเราก็ไม่เกิดความเศร้าหมองในจิตใจขณะที่เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้เราก็จะไม่มีความกมังวลเพราะเราก็รู้ว่าถึงเวลามันก็จะต้องไปอยู่ดี หรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องไปอยู่ดีต้องจากกันอยู่ดีไม่ว่าด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งแต่ถ้าเราพร้อมแล้วพร้อมที่จะให้มันจากพร้อมที่จะจากมันไปจิตใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจเวลาอยู่ก็ไม่กังวลกับมันมีอยู่ก็ใช้มันไปให้เกิดประโยชน์เช่นมีเงินมีทองที่เหลือใช้ ก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำบุญทำทานสงเคาะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วจะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความอิ่มเ อ, อิบใจเราก็จะได้มีจิตใจที่สูงขึ้นมีบุญมากขึ้นเวลาตายไปไปข้างหน้าก็ไปแบบเศรษฐีไปไม่ได้ไปแบบยาจกไปเพราะไปด้วยบุญด้วยกุศลติดตัวไป เ ป, เป็นเหมือนกับการเดินทางไปต่างประเทศเรามีเงินติดตัวเราไปเราจะไม่กังวลว่าเราจะไปอยู่ที่ไหนจะไปกินอาหารที่ไหนอย่างไรเพราะเรารู้ว่าเราไม่อดตายเรามีเงินที่จะซื้อข้าวมีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมได้ฉันใดการทำบุญก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันดังนั้นเราจรึงไม่ควรที่จะไปยึดติดกับสิ่งต่าง ถ้าเราจเจริญกรรมฐานอยู่เรื่อยๆทำงานอยู่เรื่อยๆทำงานวิปัสสนาภาวนาอยู่เรื่อยๆคือพิจารณาความเสื่อมของสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีร่างกายของผู้อื่นก็ดีหรือวัตถุเข้าของต่างๆก็ดีล้วนจะต้องเสื่อมไปหมดไปในที่สุดเสื้อผ้าที่เราใส่ในวันนี้ มันเป็นเสื้อผ้าที่ใหม่เราเพิ่งซื้อมาใหม่แต่เราใส่ไปเรื่อยๆซักมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ต้องขาดนี่คือลักษณะของสิ่งต่างๆในโลกนี้มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาถ้าผู้ใดไม่เข้าใจหลักความจริงอันนี้แล้วไปเกิดความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ไปเหมือนเดิมเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้มา ก็จะต้องเกิดความเสียใจเมื่อสิ่งนั้นมันเสื่อมไปมันหมดไปแต่ถ้าคอยจเจริญวิปัสสนากรรมฐานคือความเสื่อมอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามันไม่สามารถที่จะอยู่เหมือนเดิมได้ตลอดไปเราอย่าปไปหลงไปยึดไปติด อย่าไปอยากให้มันเป็นไปตามความอยากของเราเพราะมันไม่เป็นไปตามความอยากของเรานั่นเองแล้วเมื่อมันไม่เป็นไปตามความอยากของเราเราก็จะต้องเสีย อ, อกเสียใจร้องห่มร้องไห้เช่นบุคคลที่เราแสวงหามาเป็นคู่ครองของเราไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายจะมาเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเรา<ม>ก็เป็นเหมือนกับเสื้อผ้าชุดหนึ่ง มันก็ต้องเสื่อมเหมือนกันคนเราเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปในที่สุดหรือถ้าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไปก่อนก็อาจจะไปแยกทางกันไปคนละทิศคนละทางไปก็ได้เพราะนี่เป็นลักษณะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีอะไรอยู่คงเส้นคงวาไม่มีอะไรอยู่เหมือนเดิมไปตลอด ดังนั้นถ้าเรามีกรรมฐานคือมรานาุสติไว้คอยเจริญอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะไม่ปัญญา <c oughs> มีความรู้มีความฉลาดที่จะคอยป้องกันไม่ให้จิตใจของเราไปหลงไปยึดไปติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆหรือกับร่างกายของเราเองก็เช่นเดียวกันสักวันหนึ่งมันก็จะต้องเสื่อมไป หมดไปนี่คือเรียกว่ากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเป็นเครื่องที่จะดูแลรักษาใจของเราให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายไม่ให้ความทุกข์ต่างๆมาเหยียบย่ำทําลายจิตใจของเราถ้าเราขาดกรรมฐานนี้แล้วต่อให้เราเป็นมหาเศรษฐีเป็น พรอเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีถ้าเราไม่เจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆแล้วจิตใจของเราจะมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวเพราะยิ่งเรามีอะไรมากๆเราย่อมอยากที่จะให้สิ่งที่เรามีอยู่นั้นอยู่กับเราไปตลอดอยู่กับเราไปนานๆแต่ถ้าเราไม่เจริญกรรมฐาน <c oughs> มันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะสิ่งต่างๆนั้นมันไม่อยู่กับเราไปเสมอไปนั่นเองดังนั้นการทำงานทำด้านจิตตภาวนานี้จึงเป็นงานที่มีคุณค่าอย่างยิ่งยิ่งกว่างานอะไรต่างๆในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับมาทำลายความทุกข์ความกังวลใจได้ แต่กลับจะสร้างความทุกข์สร้างความกังวลใจให้มีมากยิ่งยงขึ้นไปอีกถ้ามีสมบัติมากความทุกข์ความกังวลใจก็จะมีมากถ้ามีอะไรมากๆแล้วมันก็กลายเป็นภาระไปหมดเหมือนกับคนแบกของแบกของชิ้นเดียวนี่มันเบาวกว่าแบกของสิบชิ้นนะยิ่งมีมากยิ่งต้องแบกมากนี่คือภาระหรือความกดดันของจิตใจ จิตใจจึงไม่ค่อยมีความสุขเลยทั้งๆ ท, ที่อยู่ในมหาราชวังอยู่ในเครหาตอันใหญ่โตมีเงินทองกองเท่าภูเขาแต่กลับปล่อยให้สิ่งเหล่านี้มาคอยเหยียบย่ำทำลายจิตใจมาทับจิตใจให้เกิดความหนักอกหนักใจแต่ถ้าเราได้เจริญกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ ได้เตือนตนอยู่เรื่อยๆว่าสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้มันไม่ใช่สมบัติที่แท้จริงของเราแล้วมันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่จะมาช่วยเราได้เวลาที่เรามีความทุกข์เนี่ยดังนั้นเราไม่ควรที่จะไปยึดไปติดมัน ม, มีมีมันก็ควรที่จะให้มันรับใช้เราอย่าไปให้อย่าไปให้เรารับใช้มัน เช่นมีเงินทองนี้ให้เงินทองมารับใช้เราเราต้องการจะใช้อะไรก็ใช้ันไปให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่ามากลายเป็นคนเฝ้าเงินเฝ้าทองคนเฝ้าเงินเฝ้าทองนี้ก็เป็นเหมือนกับยามเป็นเหมือนกับคนรับใช้นั่นเองไม่ได้ใช้เงินได้ใช้ทองมีแต่เฝ้าไว้ตายไปก็ให้คนอื่นเขาใช้อย่างสบาย อย่างพ่อแม่ที่มีเงินทองเยอะๆแล้วเป็นคนที่มีความตัหนีขี้เหนียวเสียดายเงินเสียดายทองหาเงินทองมากว่าจะได้สักบาทนี่เหนื่อยเือเกินจึงไม่ค่อยอยากจะใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่แล้วก็มีแต่คอยดูแลรักษามันแล้วพอถึงเวลาตายไปก็เอาไปติดตัวไม่ได้ไปแม้แต่บาทเดียวไปชาติหน้าจะเอาเงินทองที่มีอยู่นี่ไปใช้ก็เอาไปไม่ได้ ก็ต้องทิ้งให้ลูกให้หลานหรือใครก็ตามที่เขาอยู่ในโลกนี้ได้ใช้ต่อไปกุสาทำงานมาแทบเป็นแทบตายแต่กับไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยประโยชน์ที่เราควรที่จะได้รับจากเงินทองนี้มันมีอยู่สองลักษณะด้วยกันประโยชน์ในปัจจุบันคือใช้มันเพื่อที่จะให้เรามีความสุข เราต้องมีอาหารรับประทานมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรคก็ใช้มันไปอย่าไปเสียดายมันเวลาจะกินข้าวก็ซื้ออาหารมากินอย่าไปอดอดอยากอยาก่อยาไปอยู่แบบอดอดอยากๆนะเวลาเสื้อผ้ามันเก่ามันขาดแล้วควรที่จะเปลี่ยนก็ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่ขึ้นมาบ้านมันเก่าแล้วมันจะพังแล้วก็มีเงินที่จะสร้างบ้านใหม่ก็สร้างบ้านใหม่ขึ้นมา นี่คือประโยชน์ส่วนปัจจุบันส่วนประโยชน์ในอนาคตก็คือพบหน้าชาติหน้าเมื่อยังมีเงินเหลือใช้จากสิ่งจากประโยชน์ในปัจจุบันเราก็เอาเงินเหลือใช้นี้มาสร้างบุญสร้างกุศลเท่ากับเป็นการเอาเงินทองนี่มาฝากในธนาคารบุญนั่นเองเมื่อเราได้ทำบุญแล้วบุญนี้มันก็จะถูกาดลึกไว้ในธนาคารบุญ เมื่อเราไปเกิดทายภักหน้าเราก็ไม่ต้องไปเกิดบนกองขยะเราไม่ต้องไปเกิดเป็นลูกของคนยากคนจนไปเกิดบนกองเงินกองทองเป็นลูกของเศรษฐีมหาเศรษฐีไม่ต้องไปเหนื่อยไปหาเงินหาทองเกิดปุ๊บก็มีเงินทองใช้เลยเอาเงินของพ่อกแม่เรานี่แหละแต่ประความจริงแล้วมันเป็นเงินของเราที่เราได้เคยทาไวในอดีตเราได้สร้างไวในอดีตเราได้ทาบุญไว แล้วเมื่อถึงเวลาเราก็ไปเบิกกันได้นี่คือประโยชน์ที่เราพึงที่จะได้รับทั้งในปัจจุบันและในอนาคตถ้าเราจเจริญวิปัสสนากรรมาฐานอยู่เรื่อยๆพยายามเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าความตายนี้มันอยู่แค่ปลายจมูกเท่านั้นเองหายใจเข้าไม่หายใจออกมาก็ตายหายใจออกไปไม่หายใจเข้ามา ก็ตายแล้วไม่ไมใช่หมายความว่าความตายนี้จะมีแต่คนแก่คนอายุ 80-90 ปีเท่านั้นความตายนี้มันมีกับตั้งแต่เด็กที่เกิดมาวันแรกเลยก็มีเด็กบางคนไม่ได้ทำบุญมาเกิดมาปั๊บแม่ก็จับยัดใส่ถุงพลาสติกทาให้หายใจไม่ออกตายไปเลยก็มีเพราะฉะนั้นความตายมันมีตั้งแต่วันแรกเกิด ไปจนกระทั่งถึงอายุ80 90ร้อยปีมันไม่มีอะไรที่แน่นอนเพราะเราแต่ละคนนั้นได้สร้างบุญสร้างบาปมาไม่เท่ากันนั่นเองคนที่ทำบุญมาเยอะก็มีโอกาสที่จะอยู่ไปยาวนานคนที่สร้างบาปสร้างกรรมมาเยอะก็มีโอกาสที่จะตายเร็วนี่คือหลักของกรรมเป็นเรื่องตายตัว ไม่มีใครที่จะสามารถมาลบล้างบาปบุญที่ตนเองได้สร้างไว้ได้เมื่อได้สร้างมาแล้ววิบากคือผลมันก็จะต้องปรากฏขึ้นตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นเราจะควรที่จะไม่ประมาทนั่นเองควรที่จะเจริญมรณานุสติอยู่เรื่อยๆหรือว่าถ้าเราจเจริญมรณานุสติไปมากๆแล้ว เกิดความรู้สึกอยากจะตายขึ้นมาก็ควรที่จะหยุดเจริญสักพักหนึ่งเพราะว่าแสดงว่าเราคิดมากไปแล้วการคิดถึงความตายนี้เป็นการเตือนสติไม่ให้เราหลงลืมเท่านั้นเองแต่ถ้าเราคิดจนกระทั่งอยากจะตายไปอย่างนี้แสดงว่ามากเกินไปก็ควรที่จะหยุดเจริญภาวนาบทนี้หันมาภาวนาบท พุโทโธพุโทโธแทนแล้วเลือกถึงคำว่าพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆสักภักจิตก็จะสงบจิตก็จะเย็นแล้วก็จะสบาย <c oughs> การเจริญมรณาตุสตินี่ก็เป็นเหมือนกับการรับประทานยาท่านเองถ้ายารับประทานถูกตามขนาดของมันมันก็สามารถดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ถ้ารับประทานยามากเกินขนาด <c oughs> ยาที่รับประทานนั้นเข้าไปก็จะกลายเป็นยาพิษมาทำลายเราดังนั้นการเจริญม ร, รณาลุสติก็คือการระลึกถึงความตายนั้นก็ต้องมีความพอดีเหมือนกันอย่าไปคิดมากจนกระทั่งไม่อยากจะอยู่ต่อไปการอยากจะตายนี้ก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งการไม่อยากตายก็เป็นกิเลสอีกแบบหนึ่งความจริงแล้วมันต้องอยู่องคราณ ระหว่างความอยากตายกับความไม่อยากตายคือเฉยๆอยู่ก็ได้ตายก็ได้เมื่อยังอยู่ก็อยู่ไปเมื่อถึงเวลาตายก็ให้มันตายไปถ้าเป็นอย่างนี้แล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะไม่วุ่นวายขณะที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่มีความวุ่นวายไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากจะตาย เวลาจะตายก็ไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากความไม่อยากตายนี่คือเป้าหมายของการเจริญสมถะหรือวิปัสสนาภาวนาเพื่อทําให้จิตใจของเรานั้นตั้งอยู่ในความเป็นอุเบกขานั่นเองคือให้ใจเราเป็นกลางไม่ฝักไฝฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ใฝ่ายไปทาง วิภาวะตัณหาคือความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายหรือไปทางภาวะตัณหาความอยากจะอยู่หรือความอยากจะตายอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะมันเป็นเหตุทำให้เราเกิดความทุกข์คนเราเวลาอยู่ไปถ้าเกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมาก็จะเกิดความทิดผิดขึ้นมา อยากจะตายเพราะขณะที่อยู่นั้นมันมีความทุกข์เหลือเกินเมื่อเกิดความคิดอยากจะตายมันก็ยิ่งสร้างความทุกข์ให้มีมากขึ้นใหญ่จนในที่สดุดมันก็จะทนอยู่ไม่ได้มันก็เลยต้องฆ่าตัวตายไปคนที่มีความสุขก็จะเกิดความอยากที่จะอยู่ไปนานๆเพราะไม่อยากจะตายเพราะขณะที่มีความสุขก็อยากจะอยู่กับความสุขนั้นไปานาน แต่ความสุขมันก็เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเหมือนกับความทุกข์มันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนในชีวิตของคนเรานั้นเราต้องเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์ด้วยกันทุกคนเหมือนกับเราจะต้องเจอกัางวันกับกลางคืนกลางวันกับกลางคืนนี้เราไม่ค่อยเดือดร้อนกับมันเท่าไหร่เพราะเรายอมรับมันได้กลางคืนเราก็รับมันได้กลางวันเราก็รับมันได้ แต่ความทุกข์กับความสุขนี้เราก็บรับมันไม่ได้คือความทุกข์นี้เราจะรับมันไม่ได้ส่วนความทุกความสุขก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปนานๆอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะสิ่งที่ถูกต้องแล้วต้องทำใจให้เป็นกลางให้มันเฉยๆให้มันเป็นอุเบกขาคือสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ การที่เราจะทำใจของเราให้เป็นอุเบกขาให้เป็นปกติคือไม่วุ่นวายสายแสกับเรื่องราวต่างๆเราก็จะต้องอาศัยการเจริญส ม, มะถะภาวนาคือการทำจิตใจให้สงบด้วยการเจริญส ม, มถักรรมฐานคือการเจริญพุทธานุสติ บริกรรมคำพุทธโธพุทธโธไปในใจอยู่เรื่อยเวลาเราอยู่เฉยเฉยเราไม่รู้จะทำอะไรอย่าปล่อยให้เวลาที่มีค่านี้เสียไปรีบมาเจริญส ม, มถาภาวนากันดีกว่าแทนที่จะไปเปิดโทรทัศน์ดูเปิดหนังสือการ์ตูนดูเปิดหนังสือแฟชั่นดูมาหลับตาแล้วเจริญพุทธโธพุทธโธไปในใจดีกว่า เมื่อเราทำจเจริญทุตโธพุทโธไปในใจเรื่อยๆแล้วใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายใจของเราจะมีความสุขนะถ้าเราเปิดดูโทรทัศน์เปิดดูหนังสือเดี๋ยวก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเห็นขอโฆษณาของสวยๆงามๆก็อยากจะได้ขึ้นมาอีกแล้วดดอดทนทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องออกไปซื้อมาจนได้ ถ้าไม่มีเงนินไม่มีทองก็เดือดร้อนวุ่นวายต้องไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อที่จะไปซื้อสิ่งที่ตนเองอยากได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะปล่อยเวลาที่มีค่าอย่างยิ่งของเรานี้ผ่านไปโดยไม่มาชำระจิตใจของเราไม่มาซักพอกจิตใจของเราไม่ทาจิตใจของเราให้สมบนะเพราะว่า เมื่อเราได้ชำระแล้วได้ทําจิตใจของเราให้สงบให้สบายแล้วเราจะไม่อยากจะได้อะไรเลยต่อให้คนให้อะไรเรามามากน้อยเพียงไรเรากลับเห็นว่ามันเป็นภาระไปทั้งสิน้นให้รถยนต์มาคันหนึ่งก็ต้องมีภาระคอยล้างคอยเช็ดคอยเติมน้ํามันคอยซ่อมคอยดูแลรักษาอยู่ตลอดเวลา ในเมื่อเราเมื่อก่อนนี้เราไม่มีรถยนต์เราก็อยู่ได้แล้วเราไม่มีความหิวความอยากที่จะมีรถยนต์เอารถยนต์มาให้มันหนักศีรษะเราทําไมให้มันหนัก อ, อกหนักใจเราทําไมในเมื่อเรามีความสุขอยู่กับตัวของเราแล้วส่วนใหญ่พวกเรามันไม่เป็นอย่างนั้นพวกเรานั้นจิตใจมันยังไม่สงบมันยังไม่นิ่งมันยังหิวมันยังอยากอยู่เห็นอะไรก็อยากได้ไปหมด เห็นของใหม่ๆออกมาก็อยากได้ทั้งๆที่ของเก่าก็ยังมีอยู่ยังใช้ได้อยู่เห็นเสื้อผ้าสวยๆของงานเขาตั้งโชว์ไว้ตามร้านก็อยากจะได้เห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ออกมาก็อยากจะได้เห็นรถยนต์รุ่นใหม่ๆออกมาก็อยากจะได้ทั้งๆที่ของเก่าก็มีใช้อยู่แต่ใจมันไม่นิ่งมันไม่สงบมันไม่อิ่มนั่นเองมันจึงทาให้เกิดความอยากได้ขึ้นมา แล้วมันก็จะเป็นตัวฉุดกระชากลากให้เราไปสแสวงหาไปวุ่นวายต่อการสแสวงหาเงินหาทอง <c oughs> เพื่อที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆที่เราอยากจะได้เมื่อได้มาแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะพอเดี๋ยวมีของใหม่ออกมาอีกก็อยากจะได้ใหม่อีกวงจรอุบาดนี้มันก็จะเริ่มขึ้นไปอีกได้มาแล้วก็เบื่อของเก่าก็อยากจะได้ของใหม่ก็ออกไปหาของใหม่ ได้ของใหม่มาแล้วเดี๋ยวมันก็เก่าก็อยากจะได้ของใหม่มันก็ทำให้เราวิง่งวิ่งวนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดหาความสุขไม่ได้หาความอิ่มหาความพอไม่ได้แต่ถ้าเราอันมาชำระจิตใจของเราด้วยการบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาแล้วแล้วก็จิตใจของเรา จะเริ่มเข้าสู่ความสุขเข้าสู่ความอิ่มเข้าสู่ความพอจนในที่สุดก็จะถึงจุดที่อิ่มเต็มที่พอเต็มที่เช่นจิตของพระพุทธเจ้าและจิตของพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายจิตของท่านหลังนั้นท่านอิ่มท่านพอแล้วท่านไม่เคยคิดอยากจะได้อะไรท่านอยู่เฉยๆวันๆหนึ่งมีข้าวกินวันละมือ่อท่านก็มีความสุขแล้ว มีความสุขมากกว่าพวกเราที่มีสมบัติน้นฟามีสมบัติที่ไม่มีที่ที่จะเก็บมีบ้านใหญ่ขนาดไหนก็ไม่พอเก็บสมบัติแต่ใจของเรามีความอิ่มมีความพอบ้างหรือไม่ไม่มีหรอกมีแต่อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะเราไม่เคยทำใจของเราให้อิ่มให้พอนั่นเองใจของเราขาดอาหาร เหมือนกับร่างกายถ้าไม่ได้รับประทานอาหารมันก็ต้องมีความหิวเป็นธรรมดาแต่เมื่อเรารับประทานอาหารเต็มที่แล้วร่างกายมันก็อิ่มท้องมันก็อิ่มเมื่ออิ่มแล้วต่อให้ใครเอาอาหารดีวิเศษขนาดไหนมาให้รับประทานอีกก็รับประทานไม่ไหวจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราที่หิวที่อยากอยู่ทุกวันนี้เพราะขาดอาหารนั่นเองขาดอาหารใจ อาหารใจของพวกเราของใจก็คือกรรมฐานนี่แหละคือวิปัสสนากรรมฐานสัมถากรรมฐานนี่แหละคืออาหารของใจถ้าพวกเราให้อาหารใจแล้วแล้วก็ต่อไปใจของเราก็จะเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาเมื่อเกิดความอิ่มเกิดความพอขึ้นมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีสมบัติมากมายเพียงไรเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะเราไม่ต้องการมันนั่นเองเราไม่หิวกับมันถ้าอยาก